ขอให้ตั้งใจฟังสามวันแล้วที่เราตั้งใจดูลมหายใจเข้าหายใจออกคอยกำกับใจของเราไม่ให้สุ้งส่านส่งไปในอารมณ์ต่างๆให้ใจแน่วแน่อยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออก เราก็สามารถทำได้ทำเป็นทำให้ใจอยู่กับที่ไม่คิดนึกเรื่องนั้นเรื่องนี้ฟุ้งซ่านส่งไปในอารมณ์ต่างๆอันนี้มันถูกแล้วทำถูกทำเป็นต่อไปจะเทศให้ฟังสูงขึ้นกว่านี้อีกคือการพิจารณา เอาความสงบหรือเอาจิตที่สงบนั่นแหละไปพิจารณาพิจารณาให้เห็นความจริงของอริยสัจสี่ความเกิดความแก่ความเก็บความตายพิจารณาดูที่ตัวเราเนี่ยความเกิดเราได้เกิดมาแล้ว ความแก่เราก็ยังดำเนินไปอยู่สุดท้ายก็คือความตายทุกคนตราบใดที่ยังไม่บรรลุมรควุฒิยังไม่ได้เป็นพระสุรบัตยังไม่ได้เป็นพระสกิทาขามียังไม่ได้เป็นพระอนาคามี ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ทุกในการเกิดกรของเรายังมีอยู่การที่เราจะไปเกิดพบนั้นพบนี้หลายกับหลายกันหลายสงไข่สงไข่ขนั้นมีอยู่ท่านน่ะเราต้องลำบากอยู่ถ้าเรามารู้มากคผลแล้วก็คอยยังชั่วหน่อย ถ้ามาขดชั้นสูงก็ไม่ต้องมาเกิดอีกไม่ต้องมาเก็บ ม, มาตายอีกทาไมจิตเราถึงจะเข้าถึงความจริงอันนี้ได้ก็ต้องพิจารณาเอาจิตของเราเนี่แหละเอาจิตที่สงบนี่แหละมาพิจารณาตัวของเรา ความเกิดเราได้เกิดมาแล้วผ่านทุกมาแล้วรอดตายมาแล้วความแก่เราก็เห็นอยู่มันเริ่มแก่ทุกวันทุกวันหน้าตาก็เปลี่ยนแปลงไปอะไรต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไปนั่นแหละ มาดูที่ตัวเราจะเห็นชัดขึ้นมาว่าความเกิดความแก่นี่มีในตัวเราให้สังเกต ด, ดูให้ดีตัวเราเนี่แหละเป็นผู้เกิดจิตวิญญาณของเรานี่ยแหละมาถือเอาถือเอาความเกิดมาถือปฏิสนธิในคันมารดา เรามายึดถือเอาว่า น, นี้ตัวของเราตัวตนของเราให้ลองพิจารณาดูมันเป็นตัวตนของเราจริงๆริงไหมเราบอกว่าอย่าแก่มันเชื่อฟังเราไหมเราบอกว่าอย่าเก็บจะป่วยมันเชื่อฟังเราไหม เราก็อย่าตายมันก็ไม่เชื่อฟังเรามันก็ตายเรียกว่ามันไม่อยู่อำนาจของเรามันอยู่ใต้กฎของความจริงคือความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงในร่างกายของเราเนี่ยในตัวตนของเราเนยมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มันเป็นทุกเป็นอนัตตาตัวตนของเรามันเป็นอนัตตาแล้วว่าตัวตนของเราอยู่แต่มันก็บอกไม่ฟังสอนไม่ฟังนั่นมันเป็นอนัตตาอนัตตาคือตัวของเราเนี่ยแเป็นอนัตตา ค่อยสังเกต ด, ดูให้ดีบอกว่าอย่าเก็บมันก็เก็บบอกว่าอย่าตายมันก็ตายมันไม่ดีกว่านาทของเราให้พิจารณาลงไปที่กายนี้เห็นว่าของไม่กีหลังยังยืน ไม่เป็นตัวตนของเราจริงๆเรามาหลงยึดถือเอาไว้ว่าเป็นตัวของเร า, ากายอาศัยกายนี่แหละทําบุญอาศัยกายแหละทําบาปใจของเราถ้ามีกิเลสมากมีความโลภความโกรธความหลงมากก็ทําบาปมาก ทำบาปไว้มากแต่ถ้าตัวเรามีความโลภความโกรธความหลงน้อยพราะเราได้ปฏิบททัติธรรมเราได้รู้จากนักป่าบัณฑิตเราก็มีกิเลสน้อยลงเมื่อกิเลสน้อยก็ไม่อยากทําบาปอยากทำแต่สิ่งที่ดี สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลสิ่งที่จะนำความสุขมาให้เราไม่ไม่ทำบาปไม่ทำกรรมชั่วเดีต๋ตอนนี้เราถึงจะยังไงก็ตามเราก็ได้ถือศีลแล้วศีลของเรามีแล้ว เราได้ฝึกปฏิบัติธรรมโดยการหัดสมาธิแล้วกิจของเราก็เป็นสมาธิแล้วต่อไปก็เราพิจารณาให้เกิดปัญญาเกิดปัญญาแล้วมีประโยชน์ยังไงก็ละอกุศลธรรมนิกิจได้ละกิเลสได้ถ้าปัญญาเกิดก็สามารถชำระกิเลสได้ สำลักความโลภสำรักความโกรธสำลักความหลงได้แต่ถ้าใจไม่เป็นสมาธิใจไม่เกิดปัญญาก็อสำลรกกิเลสไม่ได้สำละความโลภความโกรธความหลงไม่ได้สำละกราคะตัณหาไม่ได้ตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสกิเลสเป็นผู้บงการให้เราทำอย่างนั้นทาอย่างนี้ สิ่งชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวงเราสามารถทำได้หมดทำไมเราจึงทำได้ก็เพราะกิเลสในใจเรามีมากเมื่อกิเลสมากก็แล้วขุนมัวตาใจก็บอดไม่เห็นอะจเห็นธรรมไม่เห็นความจริงของชีวิต เราก็ต้องตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาทำบาปทาชั่วมากมายเราไม่ได้บรรลุมากคนเราไม่ได้เป็นอริยบุคคลในศาสนาของพระพุทธเจ้าทำไมเราเป็นอย่างนั้นเพราะเราไม่ได้ปฏิบททัติธรรมถ้าเราปฏิบัติมันต้องเกิดต้องมีต้องเป็นขึ้นมาได้เราต้องได้บรรลุ คุณธรรมชันช้นใดชั้นหนึ่งในบรรดาคุณธรรมทั้งสี่ชั้นนี้โซดาสกิทาคานาคา ร, ารหันเราต้องได้บรรลุถ้าเราปฏิบัติแ้วมันต้องเกิดขึ้นเราปฏิบัติไม่ใช่ปฏิบัติเฉพาะวันนี้หรือว่าสี่วันห้าวันนี้ เจ็ดวันนี้เราปฏิบัติอยู่เรื่อยๆอยู่บ้านเราก็ต้องปฏิบตัติหาจิตให้สงบเรื่อยๆนอนอยู่ก็สามารถทําได้กานนรระงมลดูลมหายใจเนะีะเราทําได้ยืนอยู่เราก็ทําได้เดินอยู่เราก็ทําได้เพรเราฝึกหัดไปแล้ว นั่งอยู่เราก็ทำได้ทำกิจของเราให้สงบได้ถ้าสิสงบแล้วถ้าเราไปพิจารณาหรือยกธรรมะธรรมโมข้อใดข้อหนึ่งขึ้นมาใส่ใจแล้วเราพิจารณาพิจารถึงความจริงที่เรายกตัวตนของเราขึ้นมาพิจารณานี่แหละ เราก็จะเห็นชัดตามนั้นว่าตัวตนของเรานี้มันไม่เที่ยวกิงิงเออมันเป็นทุกจริงๆมันเป็นหน้าตาไม่มีตัวตนจริงๆแต่ก่อนเรายังนุมอยู่ตอนนี้เราก็เริ่มมีอายุมากขึ้นนี่เราก็เห็นชัดด้วยในตัวของเราเอง เจ็ดสี่แปดสิปีเก้าสิปีร้อยปีมันเป็นยังไงเดินเหินไปมายากหมดทุกอย่างจะกินจะนอนก็นลาบากอะไรก็ลําบา ก, เ ด, ก เ, เดี๋ยวก็เป็นนั่นเดี๋ยวก็เป็นนี่ให้พิจารณาลงไปที่ตัวของเรานี่แหละตัวของเราไม่เที่ยงเนะี่ยมันไม่เที่ยง ให้พิจารณาลงไปให้เห็นชัดว่ามันเที่ยงจริงๆมันไม่เที่ยงแต่เราถือปฏิสนธิในคันมารดาหนน่ะเก้าเดือนสิเดือ น, นเราข้อออกมาเป็นคนก็จากคันมารดามาเป็นมนุษย์นี่แหละให้พิจารณาลงไป เห็นชัดทีเดียวแล้วว่าตัวเรามันไม่เที่ยงจริงห้าปีสิบปีเราเดินได้แล้ววิ่งได้ด้วยยี่สิบสามสิบสี่สิบเราแข็งแรงแล้วทำอะไรก็ได้การงานธุระหน้าที่ได้หมดเราก็เริ่มแก่ขึ้นไปแล้วแับนี้ ห้าสีบหกสิบก็เรารู้สึกว่าโอ้มันมันเหนื่อยมันเมื่อยแล้วนี่ทำอะไรก็เหนื่อยก็เมื่อยตัวของเราแท้ๆทำไมเป็นอย่างนี้ก็คือมันไม่เที่ยงเองเพราะฉะนั้นท่นถึงให้พิจารณาถึงกลบไม่เที่ยงในตัวตนของเราให้พิจารณาบ่อยๆพิจารณาอยู่เรื่อย น้อมพ่อพิจนาที่ตัวเราเลยโอปันยิโกโ้น้อมเข้ามาสู่ตัวตวนของเรานี้ว่าตัวตวนของเรานี้ไม่เที่ยงแต่ก่อนเราเป็นหนุ่มเป็นสาวตอนนี้เราก็เริ่มแกแล้วเนี่ย เริ่มแก่แล้วแก่ขึ้นแล้วสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเริ่มรู้สึกตัวแล้วว่าเรานี่เหนื่อยเมื่อยไม่พร้อมที่จะทำงานหนัก ถห้าสิบหกสิบไปแล้วรู้สึกตัวว่านิดเหนื่อยเมื่อยล้าไปทุระทำทุระอะไรที่หนักหนาหน่อยก็เริ่มไม่สบายแล้วเริ่มเหนื่อยเริ่มเมื่อยแล้วอันนี้ท่านให้พิจารณาพิจารณาเข้ามาตัวตวนของเราอันนี้เรียกว่าพิจารณาไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยง พี่นาเห็นเป็นสุภาพก็ได้ตัวตนของเรานี่เป็นสุภาพเป็นของสปกปรกปฏิกูลตาก็เป็นของสปกปรกมีขี้ตามีน้ำตาหูก็เป็นของสปกปรกมีขี้หู จมูกก็เป็นของสปกปรกมีน้ำมูกจมูกลิ้นปากถ้าเราไม่สีฟันสองวันสามวันปากก็มีกลิ่นเหม็น ใครไม่เชื่อลองดูลองไม่สีฟันสักเก็ดวันดูกินแล้วไม่ต้องสีฟันเลยจะเห็นชัดทันทีว่าปากเรามีกลินกนกก่นมีกลิ่นสกปรกมีกลิ่นเหม็นเราต้องสีฟันอยู่ตลอดจอนเช้าเสร็จก็ต้องสีฟัน ก่อนนอนก็ต้องสีฟันไม่เชือ้อแบคทีเรียมันแพร่กระจายในปากเรานี่แหละตาก็ดีหูก็ดีจมูกก็ดีปากก็ดีกายของเราตัวตนของเรานี่ก็สกรปรกไม่อาบน้ำสามวันเจ็ดวันก็มีกลิ่นแล้วกินตัว แก่จริงคือความสัพ ب و มันก็ไหลออกไหลออกทุกทางเรากินเข้าไปกินข้าวกินปลากินอาหารเข้าไปมันย่อยแล้วก็ออกไปสู่ตามร่างกายส่วนที่เป็นสกปรกก็ไหลออกไปตามขุมก้นนะไหลาทางผิวหนังกายเราก็สกปรก ถ้าไม่เชื่อก็ลองดูเมื่อตายแล้วเอาไปไว้ที่ป่าชานะ่ะสักเก็ดวันรักษาไว้อย่าเพิ่งให้แล้งให้กามันกินความเน่าเหมินทั้งหลายจะปรากฏชัดเลยเห็นเป็นของปฏิกุลจริงๆ สามัญเจดวันมีกิดแล้วมะแตงวันตอมแล้วมะแรงวันขี้ค่ขางใส่เป็นตัวหนอนเต็มไปหมดตาก็มีแต่หมูหนอนหูก็มีแต่หมูหนอนไลออกไล่เข้าปากก็มีแต่หมูหนอนไหลออกไล่เข้า ตามเนื้อตามตัวเทวันทั้งเก้านนอนไหลออกไหลเข้าเต็มไปหมดยัวเยะนะ่นน่ะันหมูหนอนไหลออกไหลเข้าที่ไหนมันเปื่อยมันน้ำเหลืองไหลอยู่มแมลงวันก็ขี้ใส เป็นตัวนอนขึ้นมานอนก็ไตก็คาค้ำไปในร่างกายเนะี่ยอยู่กับร่างกายอเน่ามิ้นนะนะั่นแหละนี่ให้พิจารณาอย่างนี้บ่อยๆเรี่กว่าพิจารณาเห็นความชโชกโฉพปฏิกูลในร่างกายของเราเองนี่ให้พิจารณาลงไป ถ้าเอาไว้ถึงสิบวันหรือยี่สิบวันสามสิบวันเต็มด้วยมูหนอนเลยมองหาเนื้อหนังมเห็นหรอกมีแต่หนอนเต็มไปหมดนี่แหละนี่คือความสโบรบปฏิกูลร่ลางกายไม่ใช่ของสวยของงามเราจรึงต้องอาบน้ำแปรงฟันทําความสะอาดตัวตนถูสบู่ เพื่อขับไล่ความสปกปรกเหล่านั้นออกตามหน้าตามตาก็มีไขมันเราก็ถูเอาสบูรฟอกด้วยสบู่ให้มันสะอาดไม่ให้มันสโปรกเราถึงอยู่ได้ดูแต่เสื้อผ้าของเราสิ เรามาใช้ไม่สักสองวันสามวันหนี่งเสื้อผ้าของเราก็มีกลิ่นเสื้อผ้าก็มีกลิ่นมีกลิ่นสกปกเราต้องซักต้องล้างต้องเปลี่ยนชุดใหม่ผ้าที่จริงๆเอาไว้ที่ไหนมันก็ไม่เน่าไม่เหม็นหรอกแต่พอเอามาไว้ในกายเรานี่ปับ๊บมาใส่เข้าไปในกายนี่ มีกินแหละสามวันสี่วันก็ไปเริ่มมีกินแหละนี่คือความสกปกปฏิกูลในตัวตนของเราก็อยพิจารณาอย่างนี้แหละจนเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงโอ่ตัวตนของเราเป็นของสกปกปฏิกูล อ, อย่างในห้องแอร์อย่างนี้เหมือนกัน เราว่าไม่มีสุขโรกปฏิกูลลองเข้ามาเประตูสิเปิดประตูเข้ามาสิได้กิน่นนะกินเหงื่อกินไครของคนสกโรกปฏิกูลท่านนึกว่าเทวดาเนี่ยไม่อยากลงมาใกล้มนุษย์หรอกเพราะมนุษย์มีกินเหมน็นในภพมนุษย์นี่มีกลิ่นเหมน็นสุขโกปรก เป็นเทพเป็นเ ท, ทวดาแล้วไม่ไม่ยอมมาหรอกถ้าไม่มีธุระจำเป็นจริงๆแล้วไม่ลงมาในภูมิมนุษย์เลยเพราะอะไรเพราะภูมิมนุษย์นี่สกรปกรกปฏิกูลมิ้นไปหมดเหมือนเรามาอยู่นี่แหละไม่ได้กิน็รกเราอยู่ในแอร์แต่ลอง อยู่ข้างนอกแล้วเปิดประตูเข้ามาสิเราก็จะเห็นชัดเลยว่ากลินปฏิกูลเนี่มันมีเหงื่อใครที่ไหลออกของแต่ละคนหรือว่าร่างกายเนี่ยได้กลินเลยไม่ใช่ได้กลินหอมนะได้กลินโชกโปกปฏิกูลนั่นท่านจึงให้พิจารณา ให้พิจารณาบ่อยๆพิจารณาแล้วพิจารณาอีกซ้ำไปเื้อมาอยู่นะนี่ยให้เห็นชัดเห็นจริงว่า ต, วตัวตนของคนในสุขภกมิปฏิกูลจริงไม่มีอะไรที่จะน่ายินดีน่าสนใจ เราอยู่กันได้ก็เพราะมีอาบน้ำอาบท่าถูสบู่ถูอะไรต่างๆที่เอากินหอมมากบไว้ขับไล่ความโศกโศกออกไปนี่แหละอันนี้ให้พิจารณาถึงความจริงวิปัสนาวิปัสสนาคือให้พิจารณาถึงความจริงนี่แหละพิจารณาให้ถึงความจริง เนเราพิจารณาอย่างนี้เราก็เห็นความจริงแหละถ้าพิจารณาตามที่อาตมาที่บายนี่ก็จะเห็นชัดตรงไปว่าโอ้มันจริงอเล็บก็เป็นของสปกปรกฟันก็เป็นของสปกปรกหนังก็เป็นของสปกปรกเนื้อก็เป็นของสปกปรกปฏิกูล เอ็นก็เป็นของสุกภูเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามตับปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอุจจาะปัสวะเป็นของสุกภูปฏิกูลทั้งนั้นเป็นของสุกภูปติกูลให้พิจารณาเข้ามาที่ตัวเรา เราก็จะเห็นชัดลงไปเอาความสุขบุปติโกลมีในตัวตนของเราจริงๆ mm. นี่แหละตายแล้วที่เงือบชาก็เห็นชัดเลย mm. เราไม่เผาเราไม่ฝังเอาวางไว้บนลานทิ้งแจ้งนี่แหละ จะเห็นความเน่าเปื่อยความโสโครปฏิกูลชัดเจนเห็นแล้วเพื่ออะไรเพื่อละราคะละโทสะละโมหะละความโลภความโกรธความหลงละกิเลสตัณหาความอยากความต้องการเราเห็นแล้วไม่ใช่เห็นเพื่ออย่างอื่นหรอกเห็นเพื่อความละกิเลสนั่นแหละละราคะคือความกำหนัดยินดีในตัวในตน ละความหลงเราหลงอยู่ในตัวในตัวนั้นนี้ละความโลภคือความอยากได้มากๆในทางที่ผิดละความโกรธคือความโมโหโทโสพูดง่ายละกิเลส คือเครื่องึ้นกุญมัวของกิจใจละออกได้ถ้าพิจนาแล้วเราละได้ในเป็นพระสวัสร์วันก็ละกิเลสได้แต่ยังไม่หมดเพราะนั้นถึงมาเกิดได้ก็ดชาติอย่างชาถ้ายังละไม่ได้กำหนดไม่ได้เลยว่าจะเกิดกี่ชาติจะเกิดกี่กับกี่กันเราก็ไม่รู้ เป็นไปตามนาดของกรรมดีกรรมชั่วที่พาไปเราจะไหลไปตามวัฏสงสารนันนี้แหละไม่รู้ว่าเมื่ อ, อไหร่เราจะพ้นจากความทุกข์ได้แต่ถ้าได้บรรลุมรรคผลแล้วก็ดีแล้ววะเ น, นี่ยเราไม่ทุกข์อีกไม่ทุกข์มากกว่า น, นั้นมาเกิดก็มาเกิดเป็นมนุษย์ทันเด็กาเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทพเทวดา อย่างชาติที่สุดเดชาตินั่นอันนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าตัดไว้ผู้ใดบรรลุสรวัณฑสตาขัตตุปรละมามมีเกียรติชาติเกิดได้เกรชาติแต่ถ้าเราได้สกิทาคามีเราเกิดชาติเดียวสรวันถ้าเป็นเอกพิชีก็เกิดชาติเดียว ถ้าเป็นโกรังโกระก็เกิดในสองสตระกูลก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ทกิทาคามีก็เหมือนกันเกิดชาติเดียวก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นี่คือศาสน า, าพรุทธเจ้าไม่ใช่มีแต่พระพุทธเจ้าองค์นี้องค์เดียวอีกหลายกลับข้างหน้านก็มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้น ในพัตตะกับนี้ก็มีพระพุทธเจ้าในพัตตะกับที่เราอยู่นก็มีพุทธเจ้าคือพระสมณโคโดมในกับนี้ตัดสรุปไปแล้วสี่พระองค์พระกกุสันโธพุทธเจ้าพระโกนาคัมโนพุทธเจ้าปปพระกัสปโพุทธเจ้าพระโคตโมคือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นองค์ที่สี่ ในพัฒกับนี้เรียกว่าพัฒกับ พ, พอมีพุทธเจ้าถึงห้าพระ อ, องค์พอสิ้นอายุพระพุทธศาสนานี้แล้วก็จะมีระหว่างให้คนเกิดขึ้นมาอายุแปดหมื่นปีพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าเสียเลียเมตโยก็จะมาตัดสือพอตัดสรุก็คนอายุแปดหมื่นปีก็สอนให้เห็นอาธรรม คนก็จะบรรู้มรควนไปเป็นจํานวนมากอย่างเราทพาดในศาสนานี้ไม่สามารถบรรู้มรควนแต่เราก็ทําความดีอยู่เราไปศาสนาของพระเจ้าเสียเยมิตไตเราก็อาจจะมีโชคได้ฟังธรรมในปฏิบัติธรรมก็สามารถหลุดพ้นเป็นภาลิยบุคคลโซดาสกิทาคานาคาละหันได้พ้นทุกได้เหมือนกัน แต่ถ้าเราไปตกนรกอยู่เราไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์เราก็ผิดหวังถ้าเป็นเทพเป็นเทวดาก็ยังมีหวังอยู่ลงมาฟังธรรมก็อาจจะได้บรรลุมากคผลนี่แหละในกลับนี้เรียกว่าพัฒนกลับแปลว่ากลับที่เจริญที่สุดมีพระพุทธเจ้าถึงห้าพระองค์ที่จะมาตัด บางกับเป็นศูนย์กับไม่มีพระพุทธเจ้าเลยนะบางกับก็มีพระพุทธเจ้าหนึ่งองค์บางกับก็มีสององค์บางกับก็มีสามองค์บางกับก็มีสี่องค์แต่กับที่เจริญที่สุดเหลือกับพระท่ากับนี่มีพระพุทธเจ้าถึงห้าองค์สามารถรองรับพระพุทธเจ้าได้ถึงห้าพระองค์ พระพุทธเจ้าของเรานีมาเกิดในยุคที่คนอายุน้อยเพียงร้อยปีเป็นประมาณพระพุทธเจ้าของเรามาแต่สรู้ในคนอายุเพียงร้อยปีเท่านั้นนี่แหละคนก็หยาบมากหนามากยิ่งอายุน้อยลงน้อยลงเท่าไหร่ ก็ายิ่งไม่รู้จักบาปบุญกุลุโทษอนะ่ะไม่รู้จักดีจากชั่วลนะ่ะต่อไปคนไม่ใช่อายุอยู่เพียงเท่านี้นะต่อไปจะลดลงอีกจากเจ็ดสิบแปดสิบนี่กรลดลงไปจนถึงสิบขวบนยมองไม่เห็นอาจทำเลย มันเป็ดเหมือนไก่เนะี่ยไม่รู้เรื่องไม่รู้ใครเป็นมอ่อพ่อเป็นแม่เป็นป้าเป็นลุงไม่มีอะไรหรอกไม่รู้จักเลยนี่แหละเป็นอย่างนี้แหละคนอายุสิปีแต่งงานกันนหะห้าปีแต่งงานแล้วสิปีก็ตายแล้ะ เรียกว่ายุคการียุคยุคที่คนไม่รู้บาปุนคุณโทษคนกิดใจไม่เห็นดั่เห็นธรรมพระพุทธเจ้าก็ไม่มาตัดสู้ในยุคนั้นท้องคนมีอายุขึ้นไปสูงที่สุดเป็นแสนแสนกับแ ส, แสนแสน ปีอายุแสนแสนปีแลยนะลดลงลดลงอายุถึงแปดหมื่นปีพระพุทธเจ้าสีเรียเมตใตก็มาตรัสลูถ้าโชคดีเราไปเกิดในศาสนานั้นได้เป็นมนุษย์ได้ฟังธรรมเราก็มีโชคที่จะได้เป็นพารียบุคคลแต่ว่าเราจะรอไปถึงป่านนั้นเลยเอาในศาสนาพุทธเจ้าของเราเนี่แหละ พระพุทธเจ้าของเราตัดไปแล้วธรรมะเนี่ยอริยสัจ ส, สีน่นี่ทุกสบูท่ไทยนีโรธมักนี่พรองตัดไปแล้วธรรมะแปดหมืนสี่พันธรรมะขันในตู้พระไตรปิฎกเต็มตู้นั่นแหละพระพุทธเจ้าตัดไปทั้งนั้นนับเป็นเล่มตึงร้อยเล่มหน่อยจัดแบ่งหมวดหมู่ออกไปแล้วพิมพ์เป็นหนังสือไทยอักษรไทย ตั้งร้อยเล็บ น, นี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนไว้ให้เราปฏิบัติตามอย่างเราปฏิบัติอยู่นี่เราไม่ได้ทาอย่างอื่นนะเราเพียงว่ากำหนดลมหายใจเข้าออกท่านเองนี่เราปฏิบัติเพียข้อเดียวท่านเองจิตเรายังสบายป่านนี้ ยังสงบปัญญานี่ถ้าเรามารู้มักขนเป็นพระลาหันเนี่ยมันจะสบายขนาดไหนมันจะสุขขนาดไหนนี่เราลองพิจารณาดูสติปัญญาความรู้ความฉลาดอะไรต่างๆเกิดขึ้นในใจของเรานี่ก็เป็นเจ้าของศาสนาถ้าได้บลูเป็นพระลาหันแล้วเป็นเจ้าของศาสนา ถ้าได้เป็นพระสรบาลก็เป็นทายาทของคุณทีเจ้าครูจะรับมรดกต่อไปนั่นเราสามารถปฏิบัติได้ไหมปฏิบัติได้ในยุคนี้สมัยนี้ก็ปฏิบัติได้ครูบาอาจารย์สั่งสอนก็มีมากบางโองก็สําเร็จบางโองก็ยังไม่สําเร็จมาข้อสำเร็จเป็นพระอรหันต์นะบางโองก็ยังไม่ถึงเป็นพระอรหรันต์ เราก็ถึงแล้วก็รู้วิธีเทศสอนอบรมจิตใจของคนให้เห็นอาจเห็นทรรมให้สามารถนำธรรมะคำสอนพระเจ้าไปปฏิบัติได้อย่างสัมมาสมาธินี่มีสัมมาวายามะคือความพยายามชอบ สมาสติตั้งสติมันชอบสมาสมาธิตั้งใจมันชอบสามอย่างหนี่อยู่ในใจของเราใจเราต้องสงบใจเราต้องเป็นหนึ่งถ้าทำสามอย่างนี้มีใ น, ในใจของเราถ้าเราฝึกปฏิบัติตามมากมีองค์แปด เรามีสมาธิฏฐิเห็นชอบสัมมาสังคาปะความดําดิชอบสมากมรมตากการงานชอบสัมมาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายมะสัมมาวาจาจิรจาชอบสัมมาวายมะความเพียรพยายามชอบสัมมาสติตั้งสติชอบสัมมาสมาธิตั้งใจมั่นชอบแปดอย่างนี่ถ้ามีอยู่ในใจของเราเราดําเนินตามมากแปดนี่ เราพ้นจากทุกได้แน่นอนเราไม่ต้อ ง, งยนืนว่ายในวตาอีกนานแสนนานเลยเพราะพุทธเจ้าตรัสไปแล้วธรรมเหล่านี้เรียกว่าอาริยมรรคมีองค์แปดทางดำเนินไปสู่ความพ้นทุกข์ถ้าเราปฏิบัติตามเรานี้ทุกได้จริงๆตายแล้วเราก็ไม่ตกนรก ไปสวรรค์ไปโคมโลกทำที่สุดทุกในสวรรค์ก็ได้ที่โคมโลกก็ได้ด้วอปฏิบัติเอาจิงเอาจังไม่ทอดทิง้งตอนนี้เราเป็นชวดาวันต่อไปเราก็เป็นสกิทาคามีเอาปฏิบัติไปเรื่อยมันก็ไหลขึ้นไปเรื่อยก็ เต็มขึ้นเต็มขึ้นเรียก็่าปรมีแปลว่าถึงฝั่งคือมันก็เต็มขึ้นถ้าเราทํำบ่อยๆมันก็ขึ้นก็เกิดขึ้นทําบ่อยเท่าไหร่ยิ่งเกิดขึ้นเท่านั้นเรากําหนดใจของเราใครจะมาลู่เรากำหนดลมหายใจเรากำหนดทีจะละน า, าใครจะมาลัว่าเราทําอะไรอยู่เรานั่งอยู่เราก็พิจารณาถึงความกิ่งของร่างกายนี้เราก็จะท้อความรู้สึกลงไปโอ้ ถอยลงไปจิตใจของเราก็มีเมตตาขึ้นมามีธรรมะขึ้นมาจิตใจเราเบาสบายเยอกเกย็นภายในมีสุขอยู่นั่นมันละเอียดเข้าไปเอียดเข้าไปจนถึงพ้าละหันนะเนี่ยมันละเอียดเข้าไปเรื่อยๆเรานั่งอยู่เราก็สามารถพิจารณาได้พิจารณาธรรนะ ก็ือพิจารณาลมหายใจอะไรนะเราก็พิจารณาได้เห็นได้รู้ได้เอาขึ้นมาพิจารณาเป็นตัวเป็นตนก็เห็นสลายไปได้เราก็ลองดูที่คนที่เกิดมาไม่ตายมีไหมตายหมดทุกคนนะ่ะแต่เราก็ไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจเราลองดูความจริงเราพิจารณาถึงความจริง ปู่ย่าตาทวดของเราไปกันหมดแล้วตายกันหมดแล้วมีเกิดเท่าไหรมีตายเท่านั้นขอให้มีเกิดขึ้นมาหมูม้มาเป็ดไก่ก็เหมือนกันวัวควายช้างม้า ก, ก็เหมือนกันคือดขึ้นมาก็ตายหมดมเนี่ยท่านให้พิจารณาเข้ามา ในทำคำสองพระพุทธเจ้ามันไม่ได้ไปพิจารณาที่อืน่นที่ไกลอะไรเราคิดว่าโอ้ยากธรรมะของพระพุทธเจ้านี่เราปฏิบัติตามยากโอ้ยไม่ใช่มันอยู่ที่ตัวของเราหมดเลยตาก็อยู่ที่ตัวเราหูก็อยู่ที่ตัวเราจมูกปากอะไรต่างๆอยู่ที่ตัวเราหมดเลยเนื้อหนังมังสา ก, ก็ตัวเราเราพิจารณาดูให้เห็นความไม่เที่ยงก็ดีหเห็นความเป็นสุขโบปฏิกูลก็ดี ก็เป็นงานพิจารณาถึงความจริงเท่านั้นธรรมะไม่ใช่อยู่ที่ตู้พระไตรปิฎกอย่างเดียวอันนั้นบันทึกคําสอนของพุทธเจ้าอยู่ตู้พระไตรปิฎกทพ์ไว้เป็นทั้งภาษาไทยเป็นทั้งภาษาบาลีมีไว้แต่การปฏิบัติธรรมนี่ก็คือมารู้ใจของเราเองมารู้ใจของเรา แต่ของเรามันอยู่ไหมมันอยู่กับลมหายใจเข้าออกไหมถ้ามันอยู่ก็เป็นการปฏิบัติธรรมแล้วแล้วพิจารณามันเห็นตามไหมหละ่ะพิจารณาเห็นว่ามันโสกโปฏิกูลมันสกโป ก, กยิงไหมเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงยิงไหมเราดูปู่ย่าตาทวดของเราตายไปหมดแล้วมันไม่เที่ยงไหม นั่นแหละแก่มามากๆกับไม่รู้เรื่องรู้แรวอะไรต่างๆกินแล้วก็ไม่ได้กินนอนแล้วก็ไม่ได้นอนเท่าไปอายุมากขึ้นทรมานเงนินในที่สุดก็ต้องตายไปเหมือนกันหมดเนี่ยมันเป็นธรรมทานด้วนึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องของธรรมดามันเป็นมันเป็นธรรมะ เป็นธรรมะให้เราเห็นให้เราพิจารณาให้เราน้อมเข้ามาสู่ตัวเราว่าโอ้นี่ตัวเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันหนีจากความเป็นอย่างนั้นไปไม่ได้ให้พิจารณาเข้ามาน้อมเข้ามาใส่ตัวของเราตัวของเราก็เป็นอย่างนั้น แล้วก็จะวางได้วางความยึดความถือได้เราจะเห็นความจริงได้ชัดเจนว่าตัวเรานี่ไม่เที่ยงจริงๆเป็นทุกข์เป็นหน้าตาจริงๆมันจะเห็นชัดลงไปเลยพอไม่เห็นชัดก็วางเลยวางความยึดความถือนั่นมันไม่ยึดถืออีก ก็เป็นพระเรียบุคคลแหละอืม่ า, าไบนบรรลุธรรมถ้าเราเห็นความจริงอันนี้ปั๊บมันก็บรรลุจิตมันก็วางความจิตความถือความสำคัญวันหมายให้พิจารณาอย่างนี้แหละบ่อยๆพิจารณาแล้วพิจารณาอีก ทำแล้วทำอีกวันนี้ไม่เข้าใจพิจารวันหลังใจเราสงบมันต้องเข้าใจไม่เข้าใจวันนี้มันต้องเข้าใจวันหนึ่งเมื่อวันที่มันเข้าใจความจริงนี่แหละก็ เ, เรียกว่าได้บรรลุละแต่พิจาไปมันก็เข้าใจความจริงโอ้ความจริงมันเป็นอย่างนี้เองตัวตนของเราเป็นอย่างนี้ ก็จะเกิดความเมื่อหน่ายขายความยินดีใจเราก็มีกิเลสน้อยลงจนหมดไปเรียกว่าพระคีนาศบหรือว่าพระคีนาสะวะไปว่าอาสะวะกิเลสหรือว่ากิเลสแม่นิดหนึ่งก็สูญสิ้นไปจากใจก็เรียกว่าเป็นพระอรหันต์กิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะ กิเลสทั้งหลายทั้งพวงอาสะวะกิเลสกิเลสที่ทำให้ใจขุดมัวนิดๆหน่อยๆก็สามารถชำระออกได้หมดเฮอก็เป็นพระอรหันต์ผู้ไม่มีกิเลสอรหันต์แปลว่าผู้ไกลจากกิเลสผู้ไกลจาก ราคะโทสะโมหะจากอาวิชชาขู่ความไม่รู้ในอริยสัจสี่มันก็หมดไปสิ้นไปจากใจของเราเกิดมาชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่เราทุกมาแสนกับแสนกันสิ้นทุกแล้วถ้าเราได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์สิ้นทุกแหละทุกไม่มีอีกแล้ว มาขอทุกในการที่จะไปไหมในอบายจภูมิก็ไม่มีที่ไปทุกอยู่ในพุทธมลโลกก็ไม่มีทุกในสวรรค์ก็ไม่มีทุกในปัจจุบันนี้ก็ถือขันอันนี้ก็มีเก็บนั่นเก็บนี่อยู่แต่ว่าใจมันไม่ไมเป็นทุกพอมันรู้ชัดแล้วมันไม่หลงอีกเลย ก็ไม่ได้กลับมาเกิดไม่ได้มาแก่มาเก็บมาตายอีกไม่ได้ไปนรกไม่ได้ไปอวายภูมิไม่ได้ไปสุภูมิมันต่ต่ำตายแล้วก็เข้าพระนิพพานเลยจะบ้ายรองพิจณาดูธรรมะมันไม่ได้อยู่ที่อื่นที่กล การมารู้มรคขนก็คือใจรระวางวางความยึดถือเขาว่าวางความยึดถือในที่นี้ไม่ใช่ว่าฝนตกก็ไม่ต้องเข้าลบมันละแดดออกก็ไม่ต้องไปหาลบหาเงาที่ไหนบงังแดดละอันนั้นพิจารณายะถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นปล่อยวางอย่างนั้นมันเป็นปล่อยวางที่เขาเรียกว่าเหมือนวัวเหมือนควายไม่รู้เรื่องอะไร ส่วนปล่อยวางที่ใจเราวางหนึ่งคือใจเรามายึดถือใจเราไม่เอาใจเราไม่สำคัญมั่นหมายในตัวในตนนั่นนี่คือละความยึดถือความผูกใจมั่นไว้ในกิเลสและกลองทุกมันไม่มีมันวางหมด ใจก็เป็นสุขอะไรๆก็วางหมดใจก็เป็นสุขเลยมันเป็นสุขมากเป็นสุขแน่นอนเป็นสุขถาวรเป็นสุขที่เกิดขึ้นในใจจริงๆแต่กายนี่เก็บใข้ได้ป่วยก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าใจนั้นมันไม่มีไม่เก็บใข้ได้ป่วยอีกแล้วเพราะมไม่มีกิเลส กิเในใจไม่มีราคะมันไม่มีโทสะมันไม่มีโมหะมันมีมอวิชชาตัณหาอะไรต่างๆมันไม่มีมันรู้แจ้งเห็นจริงหมดแล้ววางความยึดความถือได้แล้วเป็นสุขแล้วใจนั้นเป็นใจที่มีสุขไม่ใช่ใจที่มีทุกข์ ฟังอาจฟังธรรมฟังคำสอนต้องน้อมเข้ามาสว่ใจเห็นใจในละความยึดความถือได้ใจในเบาใจสบายใจเป็นสุขใจสงบใจไม่มีทุกข์ทุกข์ใจไม่มี แต่ทุกกายอาจจะมีอยู่เก็บนั่นปวดนี่แต่ว่าใจมันไม่เป็นทุกเป็นรัดเป็นอก็เป็นได้อยู่เพราะเรายังถือขันนั้นนี่อยู่มันยังมีขันอยู่มีร่างกายอยู่เรายังไม่ตายกระทบร้อนกระทบหนาวมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามอาการของโลกของอุณาภูมิอยู่เป็นไปอยู่ แต่ว่าใจมันไม่ทุกข์ตามมันไม่เปลี่ยนไปตามมันไม่กังวลมันไม่เดือดร้อนว่าตายแล้วต้องไปนรกมันไม่เดือดร้อนมันสามารถที่จะอยู่ในโลกไม่กระทบกับโลก ได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสู่ทุกทั้งดีและไม่ดีใจของผู้ที่เป็นพระอรหันต์แล้วก็ไม่หวั่นไหวตามได้ยศเสื่อมยศได้ลาบเสื่อมลาบได้สุขได้ทุกได้นินทาสรรเสริญไม่เป็นทุกได้ลาบก็ไม่เป็นทุกได้ยศก็ไม่เป็นทุก ได้สรรเสริญก็เทุกได้สุก็ไม่เป็นทุกเสื่อมลาบเสื่อมยศถูกนินทาเป็นทุกประสบทุกขจิตใจก็ไม่หวั่นไหวไปตามถ้าพ้นแล้วเป็นอย่างนั้นถ้ายังไม่พ้นนี่ก็ไหลไปตามอำนาจของความ ทุกอยู่ในยศเสื่อมยศในลาบเสื่อมลาบก็ยังมีทุกอยู่แต่ผู้ที่ถึงแล้วไม่ไม่เปลี่ยนอย่างนั้นในลาบก็ไม่เป็นทุกขเสื่อมลาบก็ไม่เป็นทุกในยศก็ไม่เป็นทุกเสื่อมยศก็ไม่เป็นทุกเป็นอย่างนี้ ถูกนินทาก็ไม่เป็นทุกข์สรนเซินก็ไม่เป็นทุกข์ได้สุขได้ทุกข์ทางกายทางทั่วทั่วไปก็ไม่เป็นทุกข์นี่แหละไปอย่างนี้ถ้าในพิจารณาเห็นความจริงเห็นพิจารณาความเกิดความแก่ความเก็บความตายข้มอมีในตัวเรานี้ ให้น้องเข้ามาพิจารณาตัวเรานี่จะเป็นอย่างนั้นจะลำบากอย่างนั้นก็พิจารณาให้เห็นความจริงก่อนที่มันจะถึงเวลาเสียให้มีมรรคผลเกิดขึ้นหรือถ้าไม่เช่นนั้นก็ให้พิจารณาเห็นความเป็นโสก ป, ปฏิกูลในตัวเราตายแล้ววันหนึ่งสองวันสามวันสิบวันยี่สิบวันร้อยวันมันมันเป็นยังไงสกปกแค่ไหน อย่างนี้ก็ได้น้อมเข้ามาใส่กายเราพิจารณากายเราตัวเราแล้วก็ลองพิจารณาใส่คนอื่นดูผู้ญาติตาโทษของเราญาตของเรามิตรของเราหรือเพื่อนของเราหรือคนที่เรารู้จักหรือไม่รู้จักก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดก็ให้พิจารณาเข้ามาที่ตัวเราให้เห็นชัดขึ้นมาน้อมเข้ามาโอปัญิ ก, กูธรรมอาพุทธเจ้าน้อมเข้ามาใส่ใจ ถึงจะมีมากมายกายกองก็ตามใจเกิดสติสมาธิปัญญาแล้วก็เราว่าถูกต้องหมดผู้ที่บรรลุธรรมแล้วนะ่ะมันไม่สะดุกมันไม่หวั่นไหวในญาบลาบเสียมลาบในยศเสียมรดมันก็ไม่หวั่นไหวมันอยู่เป็นสุขได้เหมือนลิ้นงูในปากงู แต่พุทธธาสว่าลิ้นงูในปากงูไม่ถูกเขี่ยวงูกัดเราอยู่ในโลกนี่ถูกนั่นทาสันเสริญก็ไม่เป็นทุกข์ก็สบายใจอยู่ได้ไม่กังวล น, นี่แหละแสดงทำให้ฟังก็เพื่อที่จะให้น้อมคำสอนของพุทธเจ้า คืออริยสัจตามทั้งสี่เข้ามาสู่ตัวนี้เพื่อเห็นแก้งก่าจักชัดเจนจนวางความยึดมั่นถือมั่นได้ก็เป็นพะลย์ยบุคคลโสดาบันแปลว่าตกกระแสพระนิพพานสกิทาคามีก็เกิดกลับมาเกิดในมนุษย์ชาติเดียว นาคามีสิ้นสังโยชน์ห้าเบื้องต่ําเป็นพมอยู่พรมโลกไม่ได้กลับลงมาเกิดในมนุษย์สําเร็จธรรมอยู่ในพรมโลกพ้นทุกข์อยู่ในพรมโลกสิ้นอายุพมก็เข้าพันนิพานสําเร็จเป็นพระหันก็ไม่มีกิเลสในใจราคะก็ไม่มีโทสะก็ไม่มีโมหะก็ไม่มีอวิชชาความไม่รู้ในเรื่อสัตจสีก็ไม่มี นี่แหละตัณหาก็ไม่มีความอยากในกวามในกิเลสต่างๆมันไม่มีมันหมดเลยใจมันเบาสบายเย็นเป็นสุขผู้ที่มาปฏิบัตินี่ถ้าตั้งกจปฏิบัติก็ต้องมีหวังอยู่ในอันใดอันหนึ่งในบรรดาสีข้อนี้ คือโซดาสกิทาคานาค า, า, ารหันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ต้องเกิดขึ้นในใจของเราผู้ปฏิบัติตามคาสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นแสดงทรมาก็เพื่อให้เป็นข้อคิดพิจะะารณาเพื่อำํำระกิจที่ไม่บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์ขึ้นมาให้ถึงความสุขความเจริญทั่วกันทุกท่านทุกคนอ่ตั้งใจ